และกวันที่27เป็นวันปวารณาออกพรรษาของพระพระทั้งหลายทั่วประเทศจะมีการปรวารณาคำว่าปวารณาคานี้ลูกหลานก็คงจะฟังฟังนั้นเป็นสัพภาษาบาลีเป็นภาษาที่พวกเราได้ยินอยู่แต่ไม่รู้วความหมายคำว่าปวารณาออกพรรษา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 ในวัดของหลวงพ่อเนี่ยขณะนี้มีอยู่ห้าสบองค์นะปวดเข้ามาใหม่สองแต่พระที่ปวดเข้ามาใหม่ท่านมาให้ประวรณาเพราะเหตุว่ายังไม่ได้ผ่านพัรษาให้บอกปริสุทธิ์บอกปริสุทธิ์ท่ว่าวแสดงตนว่าข้าพเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ในศีลในท่ามกลางสงฆ์อะหั่งพันเตปริสุทธโทติมังสรังโคทาเรตุนะคือเป็นแสดงความบริสุทธิ์ในสงฆ์ว่า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 ตรัสไม่ได้บอกไม่ได้พูดเอาไว้มีแต่ว่าพระพุทธเจ้าประวรณาในสงฆ์ครั้งหนึ่งที่ได้ยินในในพระไตรปิฎกนะจากนั้นพระสงฆ์ก็ตั้งแต่ภาษารีบูตรโมคขราพระษาวกทั้งหลายประวรณาในสงฆ์นั่งกระยงปนมมือ อ, อ, อันดับแรกก็คือว่านัมโมสก่อนนะนัมโมเนี่ยแปลว่าพลาดไม่ได้นะ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 ลูกชายมานั่งจู่ต่อหน้ากันในวันหนึ่งกันเรานัดกันมาทานอาหารก็ได้ในโต๊ะกินข้าวเอาวันนี้พวกเราประวรณาต่อกันนะลูกๆทั้งหลายพ่อนี่น ะ, ะการกระทาของพ่อนี่ไปในออกนอกลูก่นอกทางทำให้ไม่สบายใจสำหรับแม่บ้านก็ดีลูกๆทุกคนก็ดีพ่อยินดีให้พวกเราชี้นำที่บอกกล่าวว่า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 แต่แม่บ้านก็เหมือนกันทั้งพ่อบ้านก็ดีลูกก็ดีที่ฉันได้กระทำออกไปคิดออกไปทาออกไปพูดออกไปสิ่งไหนที่ไม่สบายใจของพ่อบ้านและแม่ของลูกๆทั้งหลายก็ขอให้ว่าก่าวตักเตือนอฉันด้วยฉันจะได้ซํารวมระวังในเรื่องนั้นๆต่อไปอันนี้คือลูกก็ขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่ผมได้กระทำสิ่งใดลงไป ถ้าหากว่าพ่อแม่ไม่สบายใจก็ขอให้ว่ากล่าวตักเตือนผมได้ผมจะได้สำรวมระวังต่อไปลูกสาวก็เช่นเดียวกันพ่อแม่พี่ทั้งหลายเห็นว่าการกระทาของหนูเนี่ยไม่ไม่เป็นที่สบายใจก็ขอให้บอกกล่าวหนูได้หนูจะได้สำรวมระวังต่อไปถ้าว่าพวกเรานำมาใช้ในครอบครัวหลวงพ่อว่าจะเกิดประโยชน์ไม่น้อยเหมือนกัน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 ในสงนี่แหละคำประวารณาคำนี้เนี่ยจะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนต่อพระสงฆ์ที่อยู่ด้วยกันพาะ อ, อยู่ด้วยกันนั่นแหละเออคนอื่นไกลมันก็อื่นไกลไปแต่พี อ, อยู่ด้วยกันนั่นแหละเออที่จะทำให้เดือดร้อนหือทำให้ไม่สบายใจทำให้ทุกใจขึ้นมาคนอยู่ใกล้กันนั่นแหละคนอยู่ฟากฟ้ า, าเขาเขียวเขาไม่ได้มาทำอะไรให้ทำอะไรให้กับเราหรอก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 คิดดีทำดีพูดดีตั้งเข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตเข้าไปเข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสมาัมนเ น, น็ทั้งต่อหน้าและรับหลังเข้าเข้าไปตั้งวจีกรรมคือคำพูดแนะนาสั่งสอนด้วยจิตเมตตาเข้าไปตั้งมนโนกรรมคือจิตที่เป็นธรรมในเพื่อนภิกษุสมมเ น, น็ทั้งต่อหน้าและรับหลัง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 ไม่เกงใจใครเออการกระทําออกไปก็นะั้นเ อ, อ่อมีตมัดมีตมวยพวกเราคิดดูสิว่าการอยู่ด้วยกันจะสงบพร่มเย็นเป็นสุขได้อย่างไรนี่แหละพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเรานํามาประพฤติธปฏิบัติท่านตรัดไว้ทั้งสองพันห้าร้อกว่าปีมาแล้วเนะี่ถ้าเรานํามาประพฤติธปฏธิบัติยังเกิดประโยชน์นะนราธาิยาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะอต่อเ น, นี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พร รับผ่อนน่าตะนีนะทิศสวนกุศลเออพี่น้องลูกหลานจัดท้ายญาติโยมหน้า